พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบชื่ออังคุตระนิกายเอกทุกกะติกานิบาศเป็นสุตตันตปิฎกเมื่อจบหมวดประมวลเรื่องราวหรือสังยุตตนิกายแล้วจึงมาถึงหมวดที่แสดงหลักธรรมเป็นจำนวนซึ่งเรียกว่าอังคุตระนิกายพระไตรปิฎกในหมวดนี้ยังคงเป็นสุตตันตปิฎกมีด้วยกันทั้งหมดห้าเล่ม เริ่มด้วยเล่มที่ยี่สิบจนถึงเล่มที่24ในการนี้เล่มที่ยี่สิบว่าด้วยหลักธรรมจำนวนหนึ่งสองสามจึงใช้คำบาลีว่าเอกทุกะติกะนิบาทเล่มที่ยี่สอ็ดว่าด้วยหลักธรรมจำนวนสี่จึงใช้คำบาลีว่าจตุกกาิบาทเล่มที่ยี่ิสองว่าด้วยจำนวนหถึงห จึงใช้คำบาลีว่าปัญจกะฉักระนิบาตเล่มที่23สาว่าด้วยหลักธรรมจำนวน7 8็ปจึงใช้คำบาลีว่าสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาตเล่มที่24ว่าด้วยหลักธรรมจำนวนส0บ1อจึงใช้คำบาลีว่าทศกะเอกาทศกะนิบาต การกำหนดจำนวนพระสูตรว่าในหมวดไหนหรือนิกายไหนมีกี่สูตรนั้นในตอนแรกๆก็กำหนดง่ายนับง่ายเพราะแต่ละสูตรก็มีข้อความยืดยาวคือสิบสูตรหรือกว่านั้นเล็กน้อยก็รวมเป็นหนึ่งเล่มแต่ในตอนหลังนี้แต่ละเล่มมีกว่าพันสูตรเพราะข้อความไม่กี่บรรทัดก็นับได้ว่าเป็นสูตรหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้น ตั้งแต่สังยุตตนิกายเป็นต้นมาจึงควรกำหนดประเภทของหลักธรรมและในอังคุตระนิกายนี้ควรกำหนดจำนวนเป็นเกณฑ์ว่าจำนวนหนึ่งมีธรรมะอะไรบ้างจำนวนสิบมีอะไรบ้างดังนี้ก็จะสะดวกขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้มองเห็นจำนวนประสูตรในตาลานิกายอีกครั้งหนึ่งขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อให้พิจารณาดังต่อไปนี้หนึ่งทีฆะนิกายหมวดพระสูตรขนาดยาวเล่มเก้าถึงสบอ็ดรวมสามเล่มมีส4สูตรสองมัชิมานิกายหมวดพระสูตรขนาดกลางเล่ม1 2ถึงสสรวมสามเล่มมีห5 2้าสสูตร 3. สังยุตตนิกาย หมวดพระสูตรที่ประมวลเรื่องราวเล่ม1 5ถึง19รวมห้าเล่มมี 7,762 สูตร 4. อังคุตรนิกายหมวดพระสูตรแสดงหลักธรรมเป็นจำนวนเล่ม 20-24 ถึงรวมห้าเล่มมี 9,557 สูตร 5. ขุทธกนิกายหมวดพระสูตรเล็กน้อยหรือแบตเตเล็ด เล่ม2 5 3สาถึงรวม9ก้าเล่มไม่ได้แสดงจำนวนสูตรไว้แต่มีคำกล่าวว่าสูตรที่เหลือจากสี่นิกายข้างต้นก็นับเข้าในขุทกานิกายทั้งสิน้นเมื่อเทียบดูจำนวนสูตรในพระสุตรตันตปิฎกทั้งห้านิกายก็จะเห็นได้ว่ามาถึงนิกายหลังๆตั้งแต่นิกายที่สามมาคือสังยุตตนิกายมาเรืองเบิดตะเล็ด หรือเรื่องย่อยๆมีมากขึ้นจนไม่สามารถจะย่อได้ทุกสูตรดังแตก่ก่อนจึงต้องย่ออย่างจับสาระสำคัญเป็นหมวดใหญ่ๆไว้เฉพาะในเล่มยี่สิบคืออังคุตระนิกายที่ว่าด้ยวยหลักธรรมเป็นจำนวนหนึ่งสองสามนี้ท่านผู้อ่านย่อมเห็นได้ชัดว่าควรจะได้แบ่งส่วนสำคัญออกเป็นสามส่วนตามจำนวนเลขนั้น คือรวมหลักธรรมจำนวนหนึ่งเรียกเอกานิบาตรวมหลักธรรมจำนวนสองเรียกทุกกานิบาตรวมหลักธรรมจำนวนสเรียกติการนิบาตก่อนที่จะกล่าวรายละเอียดพอสมควรจะขอชี้แจงส่วนใหญ่หรือความสำคัญในสามชั้นนั้นเป็นการนำทางไว้ในเบื้องแรกคือเอกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อ ในหมวดนี้แบ่งเป็นหมวดใหญ่หกหมวดด้วยกันคือหนึ่งเอกธรรมาทิปาลิบาลีว่าด้วยธรรมะข้อหนึ่งเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะข้อหนึ่งหรือหนึ่งข้อมีความสําคัญในทางต่างๆกันทางไหนบ้างสองเอกบุคลปาลิบาลีว่าด้วยบุคคลคนหนึ่ง จะเป็นใครก็ตามที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นับว่าเป็นผู้หายากหรือคนอัศจรรย์เป็นต้น 3. เอตาทัคขาปาลีบาลีว่าด้วยเอตาทัคขะคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่พระผู้มีพระภาคทรงยกย่องให้เป็นเลิศในทางต่างๆ ต, ตามความรู้ความสามารถความประพฤติและความถนัด 4. อัานะปาลิบาลีว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นเป็นไปไม่ได้ที่คนผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือผู้ไม่มีความเห็นวิปลาสหรือพระโสดาบันขึ้นไปจะฆ่ามารดาบิดาหอัปาราเอกธรรมมาทิปาลิบาลีว่าด้วยธรรมะข้อหนึ่งเป็นต้นอีกส่วนหนึ่ง เป็นการกล่าวเพิ่มเติมจากหมวดที่หนึ่ง 6. ปราษาทักระธรรมมาทิปาลิบาลีว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเป็นต้นธรรมะทั้งหกหมวดนี้รวมกันแล้วมีหนึ่งพสูตรพอดีบางหมวดก็มีมากบางหมวดก็มีน้อยโดยปกติจัดสิบสูตรเป็นหนึ่งวัตห้าสิบสูตร เป็นหนึ่งปัรนาส ก, กะซึ่งในการย่อต่อไปจะไม่กล่าวถึงวัคและปัรนาส ก, กะจะกล่าวแต่เนื้อหาธรรมะในหมวดนั้นๆทุกกนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสองข้อในหมวดนี้แบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นสี่ส่วนแต่ไม่กล่าวถึงเนื้อธรรมะหากกล่าวถึงหมวดห0ที่หนึ่งที่สองที่สและหมวดพิเศษ ที่ไม่นับเข้าในหมวดห้าสิบแต่ในหมวดห้าสิบนั้นซึ่งหมายความว่ามีห้าสิบสูตรยังแบ่งเป็นวักอีกหมวดละห้าวักวักละสิบสูตรชื่อวักกล่าวตามประเภทธรรมะเช่นกรมมกรณาวักวักว่าด้วยเครื่องลงโทษติกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อ ในหมวดนี้แบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นสี่ส่วนเช่นเดียวกับทุกกรณิบาทคงแปลกออกไปแต่ชื่อวักเท่านั้นต่อไปนี้จะเป็นการย่ออย่างขยายความ